คนสะดวงสบายเจ้าประสมผู้อาจารดูแลเมื่มาดูแลสถานที่รับรับอาการกุ๊บกลับคือผูดมาหน้าที่ผู้ดูว่าไม่ที่รับผู้มาก็ถาวมสะดวกแต่ผู้ที่ให้ความรับ ตามมาที่างการกษาจะไปจะมาทางไหนก็ไม่บอกไม่กล่าวโดยเฉพาเครื่องนั่งเครื่องนอนภาชนะเครื่องใช้เรื่องสอยทุกสิงทุกการเก็บขัาให้เรียบร้อยมอให้ผู้ดูดูแลเราไม่สามารถที่จะทำได้ทุกกย่างก็มอบให้ จึงมีจึง เ, เป็น ค, คนบัฒนั่นให้เราภูมิใจที่ ท, ท, นอนออท่ทานทําให้ท่เพราะว่าท่านให้วัดจำจันทนนองก็มาดูแลเวลาไปท่าอีสานมีวัดต่างๆแล้วก็มอบที่วัดฝากในบ้านมีท่านสะท้านโนมันจะเด็กปเยี่ยมไปอะไรรับรับชู้ทา่าอีสานจะดูแลประเพณีของแต่ละแหง่งแ ต, ตกต่างกันบ้าง ก็พูดศาสนาเดียวกันกัรกระทำแต่ละแห่งแต่ละแห่งก็ผิดแตกต่างกันไปบ้างนิดหน่อยเราจะนั้งถือขอคนณพะเจนาุกหลานตลอดสัตวเจ้าประสงค์ทอะไรไว้ก็หรือว่าให้อัยใไปบ้างโดยเฉพาะพิธีกรรมโดยเพาพวกเราที่เดินทางไปนาต้องถือคติเอาไว้เวลาอยู่ให้โมฆะ ไว้ใจเวลาจากไปให้หมูคณะคิดถึงทํายังไงหมูจะไว้ใจทํายังไงหมูเวลาเราจากไปหมูจึงจะ ค, คิดถึงก็สารวจดวงตาที่ใจของเราเราทําถูกต้องหรือเปล่าหรือทําแต่บ่วมมั่ง่ายโดยเฉพาะเราเดินทางไปต้องทั่วมือกันชั่วยกัน ปก ค, ค้องปกปักรักษาวัฒนธรรมชาวไทยชาวพุทธชาวไทยชาวพูดธปรได้ศชาวพุดธประเนัือสรมมโมคุวาราวพุนนทธอยู่ด้วยรสางาสันทารมีความเรพนุน้อเหนือสถานที่สัมพกายได้การสัพัทธาจารย์ได้กล่าวคำบูชาพรัชนาใจสัมพัทธ์ตใจมันชี่เห็นไหมอ่า ใจดลงเข้าลงออกนั่นเรียกว่าทากุนอาหารใจในตัวของเราไม่ชอบตัวของเรามนกายต้อ่ใจสัมผัร่างายเราว่าอะไรตุ้ดีนี้สัรางายไม่เที่ยเกิดแล้วแก่แกตายตัวตายของเรามันเที่ยแล้วไม่รู้ว่ามันเที่ยหรือคนเกิงนั่นแหะคนกิงทำมากคือคนเก่ง สิ่งด จ, จไปในทางคนกินสิ่งนั u, ่นเป็นคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสระลูกท้าย์เขาต้องไปไปพิจารณาสัมผาสร่างกายอายงโ้อเมตกาโยกายของเรานีรกเรื่องบนแส่พื้นท้าพื้นมาเรื่องตัำแต่สายผมลงไปแต่จกปริญตัโใเหนังเป็นที่ดูที่ขมงรอบเด็นไปด้วยของไม่สะอาดในประการต่าง เ้าบอกว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเขนอนพอของรินูนโโกโถกหมูทำใที่ตีแต่ับน้ำตาลกายให้สวยให้นาม้สวยให้นามันสวยงามทำไงล่ะทำที่เราตัวจเต็มไปด้วยของไม่สอาดยาพูกแต่ฟากบกเบาให้มันถึงใจจะถึงใจเพราะเราทาสมาธิทำนสมาธิ เ่ตน์ก็เป็นปัญญาใูค ว, า เ, า, วาเราพูดให้ตัวของเราไม่ใช่ตัวอยู่ในหนังสือตำราพูดในใจของเราพูดให้เหตุอยู่ในวัาเราได้วัดใจของเราได้ทีิมันเป็นจริงไหมเต็มใจด้ยวยของไม่สอาดเบือนายไหมสัมผัสหน้ากายก่อนนี้ครับเราได้เป็นไปเคื่องทรมวนายคลายจากความรักความโลภ การเป็นทางการตัดต่อเพรก็ผมจะเจ้าดูจากไม่คยไปดูงานไหนแ่เพราะฉานั้นการที่เราตรวจไปนะคนตายเขาต้องเสียเกลือแก้แก่ก็บายปู่ญาติตายใจของเราไปก่อนแหนะเอาอะไรไปด้วยผมก็นหมืเอาไปด้วยไปได้กระแต่งเป็ดขึ้นมาแดงผมแต่งผมเกิขึ้นมาแต่งเล็แต่งเล็บเขึ้นมาแต่งวันแตงวันยาสีฟัน ก็ไรรอกก็ไรมาถูสักเดียวเเดียวกเดยิงไม่เล่าไม่จะยึดิดแต่พวกปวนองเล่าอาบางทีอ่ะปวดนอเล่าเอ็มเอชจะจะตาอัตนาจนโนเอ็มมาจุนโนทำสมาธิมนทำคัวเได้ยืนบ้างไหม่ะไออาหารใจในเรี่มาอาหารใจก็ไม่ยากจะเอาต่ทาไม่ได้ทาไม่ได้แต่สมาธิไม่ได้ สิ่งที่ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนก็จะไปทำเวาไหนพระพุทธเจ้าหาที่งนั้นทำต้นทุนกำลังลำบากตากทแท้ท้แทไม่ได้กได้สิที่มาสอนพวกเราสอนคนหาิทีมาสอนคนไมได้สอนคตายสอนทกีทวีนยนห ไดหน้าหลันิดหนึ่ในสวรรค์มานจะดูสวรรค์ไมพานไม่ใช่อย่างนั้นเราควจะไม่ดูปัจจุบานดูปัจจุบันไม่รู้ประจุบันไมเห็นประจูบันประตุปันนังแค่ยอดธรรมไมเข้าใจหรือมันไม่ไซื้ออาหารใจไม่ได้ซื้อให้ลเข้าวักินนี่ทำให้ะไม่ได้ มีไปเลยฆ่าไปเลยฆ่าได้เปล่าคือฆ่าเฉลยเฉลคืออะไรคือว่าทาไม่ได้นั่นเราไมมีปัญญาฆาเฉลยเราปเราม็ดเาันเลเราปั้ไม่กเพราะเพรปัญญาแแต่ว่าสมอด้วยปัญญาไม่มีนั่นเราจะนั่งปิเือือไปไหน็ึงเพือนให้ดูใจไหนใจรักษาใจให้อ่านใจเว่า ใจพาไปสวรรค์ไปพานิพานถ้าไม่มีบุญสุญสนไม่เคยเห็นสวรรค์ไม่เคยเห็นนิพานใจพาไปทางนรกรูจากนรกก่อใจไหมรับรวยรวยงามเอาถามใจเองเราก็ไปที่ไหนขึ้นมาจะได้อะไรคนนั้นคนมันกู้ยินทางานวันไหนอยู่เขหาอะไรอยากรัดรวยใช่ไหมรับรวยเราจะทำอะไรมาทำโขงทำเล็บทำปัสปัสันไปไปเรื่องนั้นจากาั้นก็ทาไม่ดี ทำเองเป็นรมันเลงแก่นให้เลงแก่นี้มันเลเปลือกนั้นันเลนตามัเล็งแก้มมเลงาเราแส่หาไปเองคำของขบาต้องเด็ดประชาชนหรืหมอบ้างไงเย็นีเจาของได้ว่าใจเจ้ของยังรู้จากกันบ้าพอเพียงเรามียังไงรักษาของเราแค่นั้นครบเพียงไว้เราเลยไปดิ้นหาคนเรา้อบยุ่งไปพูดหนักพูดโง่ๆพูดทง่แค่ไหนนะไหนนะ ไหนว่าพวกไม่ฟังเ่พักตั้งแต่พูดไม่ฟังพูดฟังได้ในิตเด็ดจีตเด็ไม่ชัฉันดีแล้วฉันดีแล้วฉันดีแล้วดีแล้วมาเจนทาไมจีบดูไหมจีบจิตเด็ดบ้างไหมท่านดีแล้วมาเจอทำไมท่านดีต้องไปกับขุนเจ้าแล้วดิุณเจสอนให้คนรัิบาลเพื่อให้มากเกินเข้าใจไหมแล้วเข้าใจแล้วก็บอกกให้ดูฝนลงไได้บอกให้รูฝนลงไปได้ไม่ดูสวรรค์ก็รัวอุ่นเป็นยังไงป่าเป็นยังไง ไม่รู okay. ้จะไปไม่รู the the him, ้นาคตเป็นยังไงอุกิีูกกำนัลล็กเอาหายใจยากนะเด็กนั้นต้องเข้าใจพยายามอาหารกายอย่างุพระเจ้าประสงค์สรรพเมื่อนลูกเขา่บอกรารทำตั้งแต่ตัวบานทำได้เพียงแต่ทายเราพอว่าอาบานสบายปั๊บทำงานเป็นฝัรตล้งแต่่างเป็นภูม คตกระับเตที us, But, But, to, ่เรก็เป well ็นบาเลยบุญไม่เื่อกันราลไมนยุ่งกับใครด้วยไม่ทาอะไรให้พุ๊งแต่ดูไม่ทำไมดูไม่ได้เพราะฉะนั้นฝากไว้ให้ดูทุงวันนะวันละหนึ่นาทีน่งเข้านานเข้าเป็นนิสัยกวาลนิสัยคือวัฒนธรรมเราตีต้องนานเข้านา่เข้าต้องทานานเข้าว่าเห็นวงสุทด้งคำทั้งไม่ใช่ขดของกันจายพระเป็นการทำคูณ กวาดทำบุญกวาดทำบุญเดินบ้านทำบุญน้านดุไพระพูการเรื่องรักเรื่องรกองเรื่องปวดเรื่องหลงเรื่องลสาวเกิดตรงนั้นคนดีตาดีคนนั้นีตามีคนนี้ไม่ดีพูดเรื่องที่ไม่เป็นตาละนบุนไหว้กับวกับวัดไปทำบุญวัดที่ตาที่เขาล้มจะเก็าบานอบน้อคาเท่าไรบ่อานาคาจเฉลี่ยถก็แดงว่าเขาล้ เช่นเราหอบวานุ้มไวุ้ไว้ก็เริ่มคุ้มไวโอ้อะไรจะอ่างกวันนกใจุ้ที่ดูต้งเร่มโลใจยัคุ้มี้องพิจารณาให้มีโลภตลอดก็อยูใวันใจวันละนาทีเรืหน้าคุ้มกุโลภนนี้ดนยาษน้องไม่ใช่รับใจตลอดจนทางต่างก็ชอบก็โศกต้ หน้าด <N> ูดุตดุที่คนวาได้ทำด้แนหาูุดดุดุบุกบุกเป็นเชี่ยงป็ัว์ที่เป็ไ้เปสิงทั้งหลายได้เป็นตัวการ์ตูนส่วก้างเปนตการยตูนตหญ่แสนตอัง์ตว่าการเลที่มีแตุคน่คนเดนตายตกใจบนทางที่คเิระว่าตลองคนไทยราะหน้าดูดุนดุดุดาดออกมาสิ่งหนาจจะตรงสำเนียงสำนียงโดยเฉพาะในการทำการต พระพุทธเจ้าก็มีระบบการตัะบบั้งใจปฏิบัต<อ>ิตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและมีวัตถุประสงใจ